มงคลชีวิตมงคลที่27ความอดทนขันตีจะเอตามังคลมุตตะมังความอดทนชื่อว่าขันติ